ไม่ต้องในมลเนี่ยนะนะไปเองนะ<ม>แล้วก็อยู่ที่ด้านนะก็อยู่ก็อยู่ได้นะไล่เนือก็ไม่เหนือนะพระนะคนะอยคอยพึ่งบา ร, รมีของโยมไนะ้เนะพราะโยมเปาานะ็นสะัพพายะเนี่ยนะมันคล่องแคลวอะไรทุกอย่างนะนะไม่ขัดข้องนะนะไม่ว่าอืมความอพาพระอยู่ได้ไม่สี่ชีวิตนะนะ บุคคลสัพยะแดงแสสัสพยะ อ, อากาศนะนะอสัสพยะแดงแสงาสงอสัพยะอกาสัพยะนบุคคสัพยะได้อะไรองเนี่เกวีสัพยนะพยนะี่ยอย่างนี่ แม้แต่สี่อย่างอันนี้นะเป็นปัจจัยของบาเคีตเทียน mm hmm. บุคคลสําคัญมากที่สุดมากที่สุดนะในพระกลายเป็นดอกนะมาอุบาสิกาเขาเดินสอนพระนะฮ mm hmm. ะคันว่าแมงอุบาสิกาคนนี้นะพาจะไม่สําเร็จนะ mm hmm. นั่นอุบาสิกาคนนี้นะนน mm hmm. คือหมายความมาไม่พระนะ หกใสบองลาพระพุทธเจ้านะฮะแล้วเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าเป็นบุตรพิสุบุตรชนนะบุตรชนน ะ, นนะแล้วถ้ามีเรื่องราวเกิดขึ้นนะนั่นพระองค์รู้ จ, จักนะให้เธอนะไปหาสารบุตรนะพี่สายของเธอเสียก่อนนะอย่าเพิ่งไปนะ น, ะนะั่น ผ่า6หกสบนั้นะไปหาเสรีบุตรัานอีกเ อ, อ้าอีกอก อ, กอีกอย่างอย่างหนึ่งอันนั้นอั้นอีกอย่างหนึ่งเขาข่าเนนนนเนเ น, เ น, เ น, เนทรมานนะในผ่านได้ห้าห้าร้อยนันไปหาพุทธยาบวชเอฮิพี่ขู น, ะนะอีกอีกอย่างหนึ่งนั่หกสิบองนะราพระองค์ไปไประยุทแห่ มอุบาสิกาคนหนึ่งเห็นพระไปมากทั้งหกสิบนะวิ่งไปพรเพิ่งเจ้าไปที่ไหนนะไปหาที่จําันษาเนีพระตอบขอนิมนต์อยู่ที่นี่ซะก่อนดิฉันจะไปหาขาน้อยจะไปหากรรมนันผู้เยาวบ้านซะก่อนเขาจะอา จ, อาจสา ม, มารถที่จะทําเสนาชนะให้อยู่ได้ไหมนีมันอุบาสิกาคนนั้นไปหากรรมนันผู้เยาวบ้านนะบอกว่าได้ไหมนะนิมนต์นะท่าน อยู่ <Yo. S 2> จเรียมแสนาชนะทันเทเียวต้้งหกสิบนะนะกามลนะลนะสมัยนั้นนะพากันนะทำคนเพียนเด็ดเดียวมากที่สดุดในวงงังนะนะหกสิบองนะหกเดดเดียวมากที่สุดเที่ยวนะีนะ่ตาเตือนกันนะอย่าไปคุยกันนะนะพากันทำคนเพียนนะกินข้าวแล้ว ไปหาที่ประเวณต่างคนต่างไปนะอย่าไปคุยกันนะราขาสูงในที่สดนะเราเรียนนะกรรมฐ า, านมาจากโทธาสักนะสลองประเดษประคุณของพระพุทธเจ้าให้ได้พวกเรานะเราเป็นบุรุษชนนะหกสบนะนั่นพระเทละให้โอวาท น, นะพรเทนะระวังนั่นอุบาสึกาเป็นห่วงพระ เธอออกมาเธอแต่งหน้ามาแทบานออกมาถาวายพระไงอ่ามาเห็นพระนะไม่เห็นพระ น, น, เนระเอ๊ะนะอยู่ยสราก็ไม่เห็นพระยังไงกันฮอุบาสิกาน่ะตีระฆังเนี่ยพระออกมาคนแห่งนะแหงเนี่ยมาคนแห่งออุบาสิกาถามว่าท่านทะเลาะกันนะท่านทําไมอยู่คนแห่งท่านทะเลาะกันเนี่ย อุมาศิษย์พระนั่นบอกว่าคือมาอาตมาภาพทั้งหลายนะอืมเรียนกรรมฐานราคาสูงที่สุดเอามาปล่อยหน้าเทมไม่ได้ต้องเร่งทําความเพียรต่างคนต่างอยู่ น, ะ น, ะน <ะ S 1> ั่นหมนางอุมาศิษย์ก็สะทอนใจเพียวได้ฉันหน้าเป็นคระหัตเรียนได้ไหมเรียนได้ไม่ขาดข้องธรรมมาของพระเจ้าเป็นสาธารณะเนี่เรียนแก่สาวรมานาคาท่าจ่าจโจ้น ะ, น ะ, นะเรียนนะ เมื่อเรียนแล้วที่อ้าวกล้งคืนนะอุบาสิกาสำเร็จอนาคารู้ใจหัวใจพระมดเทเถพระเนี่ยแข็งแหละแข็งคลาดถึงขนาดนี้ทำไมไม่สำเร็จเพราะยังไงพระภาวนาไปพีวนาไปอ้าวไม่ได้พระเนี่ยได้อาหารไม่เป็นสัปปะยะนี่อาหารยังไม่ถูกผ่าทุงทันนี่บางคนชอบเปรี้ยวชอบเค็มชอบหวานน่ เราต้องแต่งใหม่นั่นต้องแต่งใหม่อา้าวแต่งใหม่มาทำไหวอา้าวไหนสําเร็จอราหารันมดเทียวนั่นไม่ว่าอุบาสกานะทรมานพระนะทําให้พระทั้งหกศิษให้สําเร็จอราหารันนั่นด้วยกําลังอุบาสิกาเที่ยวนั่นหัวใจพระนะีแต่งอาหารนะนั่นองหนังสอบปลีอัลซอบเค็มสอบอะไร น, ะนั่น เนี่ยที่เอามีประวัติในถ้ากลายไปดกสอนกันมาถึงตัววันนี้อุวาสกานะสำคัญมากนะเป็นแม่พระเนะี่ยอุวาสกาบอกว่าลูกของเราหกสิบนะ่ะเธอก็พูดว่าลูกของเราหกสิบก็ทำไมไม่สำเร็จนะแต่งาหาให้สำเร็จนะไม่่ฉันใดก็ได้ไอ้ธรรมะเนะี่ยไม่ใช่ว่ามือแต่พระแต่เนรนะรู้นะลึกซึ้งนะ เป็นธรรมะที่สำคัญนะนั่นอุมาโส อ, อุมาเสกาก็รู้ได้เหมือนกันนั่นแข่งขัดนะนั่นไม่สอนนอแล้วไม่ขาวนังทีก็สอนอาตมาใช่ไว้น ะ, นะอาตมามันลูกเสร็ตรงเธอไม่ทีนะัอาตมาบอกหมอโรดนะหมอเจ้ากรมนะให้คนหญิงนสอนพระบ้างไม่ให้สอนนะนะ หมอลอดได้ให้สอนคนคุณสาุีนะไม่สอนนะไม่สอนนะอย่ามาฟังเทศอาตมาอาตมาเป็นลูกศิษย์ของไม่ทีนะั่นหลักขอตกตอเสอะเท่นะหมอลอดนะ <c oughs> อาตมาเป็นลูกศิษย์ของผู้หญิงนะนั่นเพราะว่าไม่ไม่เรียสอนนะนะคุณนายสมวยนะท่านมาังกายได้ถึงเอกเทศสอนคุณสําุีสมุยมัอยู่ทําน้ำนะ เหมือนใน ม, าามังกรโบราณยีพอนะมันติดผู้หญิงอยู่ดิไม่ในชะ่ไม่ใช่ไมมันติดอยู่อ น, นแล้วก็ได้คนหลังค่ะแมคนหญิงสมควนรนะอามาเนี้เธอมันอยู่ได้คารวะสบายด้วยคนหญิงนี้นี่คนสมบูรคุณหลังนะคุณหลังนะอาตมาก็ผู้หญิงนะสอนนะนั่นอตาอนะอนะนนอตมาไม่ ไม่เคยในระคุณสําคัญนะพ่อหญิงเป็นอาจารย์นั่นอา้าวจะเทปผปิมันนะไม่ให้พ่อหญิงสอนอย่านั้นอย่างนี้อาจารมาไม่ไมกล่าวนะอาจามาได้ดีพราะพ่อพหญิงนะนี่นะน <c oughs> ั่นพ่อหญิงสอนนะแม่เชคคนนั้นนะ่ะท่านยังดื้ออยู่นะท่านอาจารย์หลุยนะดันจีบของท่านมันดือด้อในตอนนั้นตอนท่านล่วงไปมากๆท่านจะเสียหายในตอนนั้นนะนะท่านต้องหยุดนะต้องฟังคําำดีๆ น, นะ มันช <laughs> ี้บอก <laughs> นะมันเป็นงานมันเงานบอกให้แม่ฝังแม่ละฉันได้ก็ได้ขอให้ต่างอกตัางใจธรรมะองค์สมเด็จร พ, พระผู้มีพระภาคเป็นสาธารณะเนี่ยพระแมนก็สําเร็จได้อุมาสกอุบาสบาก็สําเร็จได้แต่ว่าสําเร็จอรหันเนี่ยส่งได้เพียงเกตวันยังมากนะอาจจะมาในพูดดุทธไป๊ะ ต้องได้เพียงวันเดียวคนะิดเรียบวชนะไ ม, ไ, มไม่ไม่เรียบบวชอยู่ไม่ได้นะต้องตายนะเพราะเฮน่าเฮน่ามันตําแน่อุตมาแพทย์นะส่งไว้ได้ถึงสมบัติของพระอรหารนะนะเพียงวันเดียวนะวันเดียวยอกตัวอย่างนางแข ม, มานางแข ม, มาเหลี่ยของพระยาพิามสารน่ะสําเร็จนางคนแรกนะไม่ไปในวัด แต่งตัวอยู่ในพระราชวังนะขันไปในวัดไม่ได้ถ้าพระเจ้าเตียนนโลกมันไม่งามนมะ่มันปกปบกแม่อย่าไปเพื่อะไรแมนะ่ระว่างนั้นพระยาพิมิสารทาภริย า, ยาเธอแฉลาดเนะี่ยเอานะ้มหาลกะับนมๆ น, นะนะเสียงเพราะนะนะนะแล้วก็แต่งใจ ช, ชมนะ ในวัดเทตะพลนะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นะแต่งนะมาแต่งนะเป็นกรนะร้องเพลงนะนั่นแม่นางเขมมาคนนี้นะบัตทอในวัดพองประทับอยู่ทำไมนะแตง่งนหน้ารื่นลมลมเลือเกินนี่มันไพลระมากนแม่อยากเห็นนะนะอยากเห็น แล้ววันพรุ่งนี้เราจะต้องไปนะไดไปดูงั้นระหว่างนั้นองสมเด็จพระพระเมีภาครลวงยานว่านางแฉมาจะไปฟังเทศพระองค์นะได้องเกรียมตัวเนี่ยเตรียมตัวพระองค์นั่งอยู่ประมุกสงนะได้ไมแทบนางแทบเด็กดรนนะวีหวาบหวาบให้พระองค์นะวีนะ นางแคมมาไปเห็นนะไรเห็นนะแต่ไม่ไปใกล้ะนะต้องอยู่ไกลๆด้ะนะพราะพระองค์สี่เตียนลูกว่าไม่งามนะมันจงปกนะแต่นางนั้นเววาบวาบวับบโธของแทบเตี้ยนะเด็กดนรณ่นอายุสิบห้าปีนะนั่นนางแคมมาเห็นแม่นางคนนี้งามมากนะเกินแม่นางคนใี้ปรารถนาใดเราให้ได้หมดทุกอย่างนะ มันน่งพระเถาเราแล้วก็ต้องเชยชมรูปร่างสวยมากเลึกสุดนะผองแต่งนะแต่งแล้วเทนี้น่ะนางแขมมวานะดูเด็กดรุนนะอ้าวกลายเป็นเด็กหนุ่มอ้าวกลายเป็นเด็กแก่นเนี่ยผมงอกฝนหลุดนังก็เป็นเกลียวนั่นแล้วดิ้นตายนะแต่งดิด้นตายดิ้นตายเนี่ยมันขดเลนะเนี่ยขดไปหาต่ำเจ้าของติให้ไดะ ระหว่างนั้นองค์สมเด็จพร ะ, พ, ระพุทธพาดได้โอกาสเทศเดียทุกขงังก็ได้อย่งยังงาอย่างงานอย่างงานอย่างง้นมาพระนางเจ้านาะประทับกิตนะนั่นสนใจในววหารพระเจเจ้าสำเร็จอรหันทันทีเดียนวะนั่นตอนนั้นตอนนั้นเรียกพระญาพิมสารมาเพราะ น, ะนางแขามาจะต้องตายในวันนั้นนะนั่นคมาได้บวชนะต้องเรียกพัชดาสามมิพญาพิมสารมานะ ยังไงนะมหาฟิตรนะนางเขนางเขมมานี่ยจะให้อยู่ตลอดชีวิตรหรือเอยจะให้ตายในวันนี้นะแหมพระญาพิมพ์สารสุนุกพระทัยดีอกดีใจมากว่าเมียสมบูรณ์อหรหันต์นะข้าพระองค์ให้อยู่ตลอดชีวิตนะตอนนั้นพระยาอาตอนนั้นนางเขมมาต้องบวชเป็นนามคนนี้นะอยู่ได้เนี่เทรีเทีรีนะนั่น ไม่ละฉันหดก็ได้ขอให้ตังอกตังใจตังจใจหิมวะพระเดินพระเดินจรมานะนั่นท่านก็ต้องคุ้นเคยเป็นบุคคลนะเป็นสัพยนะเนี่ยนั่นแค่นั้นนะพระทุกวันเน่นะบางองนะมาเวลาไปนะนั่น หากว่าพระเทลละนะ่เดินมาแต่ก่อนแล้วนะ่ะญาติยอมในแข็งนั้นนะ่ะคุณเคยธรรมะธรรมโมสอนง่ายที่สุด น, ะนั่นพระเทลละไม่เดินนะหรือพระกรรมฐานไม่เดินนะสายนั้นนะ่ะเป็นมิจฉาทิฏฐนะินั่นไม่อยากไปแล้วนะั่นะนะมันบกคนไม่เป็นสปะยะเนะี่ยนั่นนี่ลนะสำคัญมากที่สุดนะนั่นไม่ เนื้ออาตมาเนาะมันวางอยู่วัดนี้เนะี่ไงวัดจะในมน่านอุปชาคําสยมานะนะท่านบอกว่าไม่มานะีนะ่ยท่านมาที่หนึ่งแล้วมาจำพรรณาที่นี่เนะนะนี่ยในที่นี่ท่านบอกอาตมานะเนี่ยเนีู้ท่านไม่มาเนะี่ยเจ้าค่ะเจ้าคุณนะประจวบนะมาหาอาตมานั่นะอาตมาเขาบอกว่า ท่านองค์นี้เนีเคยมาจำพรราในที่นี้ฮะแต่ก่อนนี้ที่ผ่านมานะนั่นแม้ฉันใดก็ได้ขอให้ตังอกตังใจให้มาก ม, มาพิยัญญาคุรยาของนางสขาให้ฟังนะนนางสขานางสขาคนนน้นะสําเร็จโชดามันอายุเจ็ดปีคุ้นเคยพ้องมากที่สดมากที่สดนางสขาไปวัดข้างไหนนะ บริวารห้าร้อยห้าร้อยเท่ยนนั่นเป pues ็เปรยมเท่ยน er ั้นั่นและพระองค์ทรมานนางสขาสำเร็จโสดาบันและทรมานบริวารของเธอนะนั่นสำเร็จโสดาบันนั่นเป็นอริยนะจิตเข้าสูวังถึงกระแสพระนิพพานนี่จิดใจจิตใจของนางสขาเข้าวัดวันละสองครั้ง ไม่ประกายไป่ดอกนะเวลาเช้านางสขาต้องไปเป็นห่วงวัดพระองค์เวลาเช้าไปนะคือหมายความว่าถ้าออกจากอาวัตพระองค์นะแต่เช้านะยังไม่ได้สันยังหันนางสขาต้องเรียงนั่นะเตม อ, อกเตนะนะ็มใจนะนางสขานะเปิมใจนั่น นั้นพระมาสู่อวราชพระองค์ไม่รู้จักบินาบาบนางสขาต้องเลี้ยงนั่นเต็มอกเต็มใจนะนั่นนางสขาต้องดูพระนะต้องถา ม, มในกุฏินะหลังนั่นหลังนั่นนะสบายไหมนะ่ะองค์ไหนนะ่ะ อ, อาพาธดังสขาต้องหายารักษานะตามมีตามได้นะนั่นนางสขาน้ามีมีสิทธิ์มากเลย หากว่ามมียาต้องบอกกุมารพัฒนนะนั่นกุมารพัฒเด้อนั่นเปิดรับอวัโอวาตของพระพุทธเจ้าให้พิคุณนีให้พิคุณโนทั้งสองฝ่ายให้กุมารพัฒรักษานะตัดผ่าอะไรทุกอย่าง น, นั่นเมนตอน น, นอืย น่นะนางสขาเข้าไปอะเวลาเช้าในมีราคามากที่สุดเฮ็ดนนางสาขาไปเวลาเช้าเนี่ยเวลาเย็นเวลาเย็นนายประกลยไปดกว่านางสขามาเวลาเย็นนะพระต้องดูมือนางสขามาเชน่นก่อนวันได้อะไรมาถวายพระ น, นั่นถ้าได้เจองได้สมัยเก่านะ น้ำแม่เนตไม่มีกาแฟไม่มีน้ำแข็งไม่มีนะน้ำปัณนะน้ำปะนะไปถวายพระในข้างนั้นนะเขาต้องดูเมือนางสาขาเสียก่อนนะนั่นไม่นะนางสาขาเนนะได้ผ่านพระเจ้ามามากมายไม่ลักษณะไหนอย่างงามเรื่องงามมีห้าอย่างเนี่ยงามได้ไวเนนะนางสาขาไม่กำลังหาช้างศาล น, นะ สางสารตัวหนึ่งตัวหนึ่งกำลังมากนี่นั่นห้าสัางสารเขีวนางสาขานะละเอียดมากทุเรศตกลงมานะ้วเล็ดเลเทียมไม่คาอาวัยวะของท่านนีผมนางสขาก็ปีกแมาลางผูงามไม่คล้ายก็บปีกแมาลางผูนะนั่นนางสาขานะใส่สดาลงไปแล้วเนี่ยงามมากที่สดุดสดาสะด า, ะดานาะที่นี้นะ่ะ ราคาต่างหลายขูนะฮะใสธดาลงไปแล้วมันใกลคล้ายกับนกยุงลําแพนอยู่บนศีษะนางสขานะนั่นานางสขาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเนี่ยรัตนะมันก็ะทบกันใกล้คล้ายกันดนกรีดนกรีนะนั่นไม่ละ่ะสำคัญมากที่สดนะนางสาขานะนั่นและใครเห็นดางสขาเนี่ยสลบนะสลบนะ น, นั่าวสขารู้จั ก, กให้ บริวารของท่านเอาน้ำเป็นรถให้มันฟื้นขึ้นมาได้ไม่ในพระกาบิดโดดขึ้นนั้นนะนนความงามนัไม่ น, น, น, นะสําคัญมากที่สุดไอ้ความงามนะอาธิการนะมาเกิดมาด้วยวิธีไหนนะมาอานาจการบําเพ็ญทานอํานาจรักษาศีลอำนาจภาวนาเที่ยงนั้นเป็นอาธิการเกิดขึ้นได้ระยะสามอย่างเที่ยงนั่ น, น, น ไม่เกิดด้วยแห่งใดแห่ง อ, อื่นอื่นนะเกิดด้วยความปรารถนาอย่างไรแนะ่รยัยบการนะได้ง่ายอาจมามักพดให้จะ ก, กลมฟังเยล็ด ท, ทั้งสามเชนิ็ดแนะ่เกิดในในใ น, ในโลกนะีนะ่สมบัติของพระบรมมาจากักรพรรดิจากแก้วจากแก้วเล็ดนะนะสำเร็จนะนะ่ ยักๆเลนะกระบองเพชรนะนั่นักษินะเชลาวธนะนั่นสามเสนมันด้วยความปรารถนาของโลกีเียมาจากบำเพ็ญทานรักษาศินทางนั้นเทียภาวนาทางนั้นเทียไอซับันของโอกฤิเนะี่ยนั่นวททวันก่อขึ้นมานะตียักษนะ์ตายตั้งหลายล้าน น, น, นั่นนะ่ะกระบองเพชรนะตีนะนั่น เวทวันนะกอดสมาตินะน้ำาหาสมุทรแห้งนะแห้งนะนั่นเวทวันนะกรดมาตีอากาศนะแห้งแรงทั้งเกปีนั่นเล็บถึงขนาดนั้นเชียวนี่เรามาจากาักพาดวันการจักเพชรนะนั่นมานะฟาดประสาทของพยายมิศาลลงมานะพรนะอรหันต์ทันนะทันอดิฐานนะให้เป็นเหล็กหรือให้เป็นอะไรนะนะจักของผี พญาชมพูบันฑ์ม่มแมเทียวแม่ราวดแมของพระเอ็นนะพระเอ็นสามอาวุธีม่ไม่ลความเผ็ดนะความสำเร็จมาจากโลกีถึงนั้นเทียวคานิฐานแล้วก็เทนี้บกุศลโสกาทิถีในกรุงราชกุศหา แม้เป็นลิกาเสรษฐีได้ พ, พระพิจารณ์องค์ใดองค์หนึ่งศักดิ์สิทธิ์มากเนี่ยเธอจะได้ถวายกายถวายกายวาจาใจเนี่ยเป็นปรมาทียวนะนั้นเธอยังได้เมีอไม่ได้สมโพธิเวีบนะได้เวีบอื่นศาสตร์ของเธอเนะนั่นคนอื่นทําไม่ได้มนุษย์ทําไม่ได้เพราะมันบนวอะอมันผสมกับเธอเนะ ต้องพระอินมามาให้ให้วิทยุกรรมมามาทำไงนะโอกาสที่ทีนะแนะแล้วสมบัติของเธอนะเธอไม่ปองธระนะไม่ไม่ได้พระเจ้าสตรอ น, นะไปถอดเวียนเวียนแหวนของท่านนะไม่ไดนะ้เวลาท่านปองกิดลงไปแล้วแม้ออกจังสิบนิ้วเดียวนะไม่นาะนะนะสำคัญมากพร้กูลกูศลนนะ่ะไปประดิษฐ์ขึ้นเทียนะ อาตมาพิจนาดูคนทุกคนจนนะเด็กๆนะนั่นมาคัดแผลคะนจรเป็นคนทุกคนจนนะเป็นมิชชันหิมอติชาติกนนะ่อนบิดามันดาห่งหรืออะไรอ้าวรัฐบาลเก็บนะเป็นเป็นเด็กที่สงเคราะห์นะนั่นมันมามันมาจากไอ้ความอปรีรยอ่างไรของเขาเที่เขากิดเป็นมีนะนั่น มันยังเป็นเด็กนะทุกทิศจนนะมันวิ่งไปหามันเข้าไปในเด็กสมเคษนะนั่นในรัฐบาลเลี้ยงนะนั่นเกเรานี้นนะมีเดอยงดัยงแดงเพราะมันปล่อยสัตว์สัตว์นะปล่อยปูปล่อยปลานะนั่นปล่อยนกปล่อยหนูนยะังยังมีชีวิตอยู่นอะบางเทีนะไม่ไม่มีตายก็มีนั่น มันเอาเด็กทิ้งลงไปในในสะพานก็มีนะพอมันนะนั่นไม่ฉันอะไรก็ได้ไอ้ความมั่งมีสุข น, นะได้รับความสุขนะกเพราะบุญกุศลที่ทำมาในอดีตนะนั่นได้รับความทุกข์้วนั่นก็ไอ้ความไม่ดีมัธยตนนีไ่ไม่มีทานในชาติก่อนนะนน mm hmm. โคสอนไม่หายแล้ว ยาเปน็นเลกเลยเถะนะนั่นแม่ใครจะบุเศกให้ได้ไม่ได้นั่นพระบนกุศลของเขาเน อ, อํำนวยให้แน่นนั่นนี่และฉันได้ก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจพากันนะบาเพ็ญทานนั่นรักษาศีลอธิจารภราวนาอธิจารนีเด็ดของบุญชรมันเป็นคนค ราคาโทรศัพหาท่วมหัวหใจอนยะู่หน้าภาวนาก็ทําไว้มันสําเร็จเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนนะาขมขวัดนะนะอาวิชาออกจากดวงจนะิตนยมันถ่ายถอนนะออกไปนะนะวิชาวิกลินหอมเข้าแทนนะั่นทะานบําเพ็ญทานนะร่ํารวยทุกชาติทุกชาติเถอะร่ารวยนะั่นะภาวนาเนาะนะนะอขอสําเร็จ เป็นพระ อ, อ, อริยเจ้านะนั่นมันของสําคัญมันของอธิการทั้งมั่นเี่านะนั่นแต่เรามันทําไม่ถึงแน่มันทําเพลินนั่นมันทํำไม่ถึงแนะก่นนะนั่นวิสัยมันไม่ห่างนะนั่นวาชนามันไม่ห่างนะมันสําคัญว่าเป็นของเหลือวิสัยไปใช้แล้วนะ่ น, นของไม่เหลือวิสัยนะั่น พรนะเลเจ้าพระหันนั่นน่ะมันก็ธาตุเดียวครับกับพวกเราดินน้ำไฟลมมีขี่มีเยี่ยวเหมือนกันนั่นมีราคาโทสามหาเหมือนกันไม่ใช่เอาธาตุพิเศษมาจากไปที่ไหนนะ่ น, ะนะเอากาการสารที่สองสายแสแรมานะนั่นไม่ละ ไ, ไ, ไม่ต่างกันกันกบเรานี่ยนั่นก็ทําไมเราจะทําไมมันไม่สําเร็จมันเป็นยังไงนั่นมันคัดข้องในประเทศไหนนะนั่น ให้มีมานาะถอสอนตนนะแม่นะ่ะเยียบย่ำชาติของเราที่เลิศนงฐานะที่ต่ำนรกเป็ดอสุรกายเสร็จในชาเนน่ยมันทําไ ม, ไม่สําเหตุนะนะตาหูตาทีจมูกเล่นกลายใจไม่พบมัดทุกอย่างเนี่ยมันทําไมนะ่น่ะมันเลื่อด้านด้วยวิธีไหนมานะอับ ป, ปีด้วยวิธีไหนนะ่ะให้มีมานาะสอนจิตของตัวอยู่ไหมนั่นะถ้าอหารหันทกองค์ท้ององนะกว่าจะได้นะ สาระเชียววัดนะนั่นอุมาสิกานะก็สละเชี่วตนะนั่นพระอรหันต์นั่ น, พ ร, าาร น, นพระจ้าขูบานนะสามเดือนไม่นอนนีน่ไม่หัวนวว อ, อนหัวนอนหนุนหัวเทียวนะมาสําเร็จตาแตกนะไม่วันภาวนาะสําเร็จอาหารหันพร่ำโดยตาแตกนะนั่นอุบาสิกาอีกองค์หนึ่งนะไปเยี่ยมพระโสดาบันนี่น่ะ เยี่ยมในวัดนะพระองค์นั้นนะหายป่วยเขาเรียกว่าเทพอ ก, กำลังกินข้าวอร่อยนะนั่นน่งอมบาร์เทกาไปถามว่าท่านป่วยน ะ, ะท่านนะอยากอะไรนะอยากกินเนื้อนะร้านทรงนี้นะดิฉันจะแกงเนื้อมาถวายท่านนะเพราะพระป่วยนะหรือขออาหารกินได้ไม่เป็นอมบัดเข้าใจไหมนั่น ต้วันที่สองมาอ้าวเป็นวันพระเขาไม่ฆ่าสัตว์ตายให้ทาสีไปทั้งสองสามครั้งเไปหาซื้อในท้องตลาดไม่มีไม่มีมมมมขายฆ่าฆ่าสัตว์จนจนจนใจนะได้พูดแก่พระแล้วนี่ยนะมันจะเป็นโมสาหรอะไรนะนะัท่านมาใไขควนดูเนี่ยในคําพูดนะั้นนะท่านปาดปาดเนื้อแข็งนะปาดเนื้อแข็งนะให้ทาสีไปทำอาหารให้ถวายพระนะนั่นะ พระองค์นั้นก็นแกงเนื้อมนษส์นะแม้ติดอกติดใจเนียไม่เคยได้กินของอร่อยถึงขนาดนี้นั่นตอนนั้นตอนนั้นบาดนะบาดแแผงยักษ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเข้าไปคานไปนอ น, น, นแผงยักษ์เกิดขึ้ น, นะระว่างนั้นองสมเด็จพระพระมีภาคดุนเหมือ น, นพระองค์ทราบในพระทไทยเดียว มาโดยด่วนเทยวนะนั่นไม่เอาอาโดนเอาอะไรมาทเทาเหล็บเดียวนะ น, ะนะั่นพระอุบาสิกาถวยหนาใหญ่มหาแตทุกใหญ่นั่นะขึ้นไปเทเือนเทถามพรพะศีบุรนางอุบาสิกาอยู่ไหมอยู่พเ่ชาอยู่ที่ไหนน้าป่วยเอ้าลุกมาม า, มานมาสการสถาคณ์ได้ไหมอาได้นะได้นะนะลุกมาลกมาได้แล้ ว, ลวนาะไอ แผลนบัตรีมดิ้อไม่มีไม่มีแผลแล้วน่นะอำนาจพรธเจ้าเข้าใจไหม <c oughs> หายทันทีเดียว น, ะนั่นแล้วนี่อุบาสุบาิกาในจะปาดไปแข้งเขพอเธอได้ไหม <c oughs> อย่าทำจังหันได้ไหมแม <c oughs> ่มันเป็นเส้นดือความเด็ดเดี่ยวนะัน่น <c oughs> อาตมาก็ถามแนละ้วถามหมอเอิบจิตแม่อาตมาถามบอกกันไม่ได้ มันเจ็บง <laughs> านเ็บของพอระฤาษยเจ้านะครับบุรีชนมันไกลกันขนาดไหนนะไกลถึงขนาดไหนนะเรียกเรียกดาิศขาก็สู้ไม่ได้ไหมดาิศาไม่เห็นแตัดแมตัดปาดมีแข่งน ะ, นะวาสิกาวน่ปาดบีแข่งเท่านั ให้ท่าเสไปน่สองสามสี่ครั้งงนี่นท้องตลาดนะไม่เขาไม่ฆ่าไม่ฆ่าลงมือเถียวนะเอามีดปาดเนี่ยส่งให้ทา่าเสทำเข้านอนเลยเทียงชมยังไงฆ่าไม่ได้พระองค์ไะด่วนที่สุดมาไม่เรียกสาวกมาเนี่ยมากลัวอุบาศิกาจะรับทุกเวทนามากพระองค์าำท่าเสมา เาราบัญชากาอยู่ไหมอยู่พุทธค่อยู่ไหนป่วยเนี่ยเอาลุกขึ้นมาลุกไม่ได้ลุกขึ้นมา น, นัลุกขึ้นมาปุ๊บบัตรกรีหายเนี่ยเข้าใจไหมคุยกับพระองค์สนุกสนิทเข้าใจไหมและอุบาสิกาได้ที่นี่ทําได้ไหม <c oughs> ทําได้ไหมไม <c oughs> ่ล่ะสำคัญว่าจิตมันเด็ดเดียวนดและที่นี้สมบัติพระโสดาบันเนี่ยอื <c oughs> พระโสดาบันนะมันหรูหราหมดทุกอย่างเชโสดาบันเทนีมันสามหนึ่งชาติบางสามชาติเจชาติม า, า, ามถึงชาติที่แปโสดาบันหรูหรามากเกิดคนมาในภพไดชาติใดออกจากมนุษย์ไปบำเพ็ความสุขบนสวรรค์หรูหรามากออกจากสวรรค์มาเกิดแต่ไม่เกิดอย่างอื่นเกิดมนุษย์ในลาง หนึ่งชาติถึงสามถึงเจ็ชาติมาถึงชาติที่แปดนะนะี่ยรู้หลามากที่สดนะมันคล้ายๆกับตลาดนัดเนี่ยตลาดนัดนะตลาดนัดเนี่ยตลาดเยอรมันกรุงบริณ น, น, นะอังกฤษนะดันดอนกรุงโปรตีส์นะแล้วก็อเมริกายกนะตลาดนัด น, นะหากว่าโสดาบันไปตลาดนัดน่ยท่านเลือกเอาท่านรู้หลามาก อะไรไม่อร่อยทิมทิมเลยยะงทิมไงนะนะเเหมือนเราคนทุกคนจนแน่เราถึงเงินไปนแม่แม่เหือดออกหาด <c oughs> ไม่คิดจะดีน้อเออนะเทวดาบันนะมันรหรูหรามากม า, มากสมบัติของท่านกิ น, น <ะ S 2> ทิมกินขวางเถอะนะ <c oughs> ไม่อุธรรนใจบอกว่าซับมาเหือมามาือมาน่นมันมากมายมันเหลือใจแล้วเนี้ย <c oughs> หาเลือกกินแทงอกกลิตนะของเอเ่อยอร่อยนะจิตจับพิมพิมพิมเดียวนะนี่สําคัญโซดาโซบะบั้นไม่ใช่เล่นนะยกตัวอย่างในพระรไกรพิดกให้ฟังไน้ทิ่นี้ระ ว, วางรางสขานะเปลี่ยนอัตภาพของเธอเนะี่ยตายแนะม่นางคนใรไปเกิดนิพมาลาีนะสูง ว, ว้าวสวรรค์หกชั้นนะ หนูรายใหญ่มามาฮมาใหญ่นะ่ะรูปร่างก็แปลกสมบัติก็ ม, มากรูปร่างแปลกหมายความยังไงในะสมัยพระเจ้าเกิดมันคนแปลกศบ